1 1ึสังฆเภทอนาปัติวัติเฉเทวันว่าด้วยการขาบรรษาโดยไม่ต้องอวบในเมื่อมีผู้พยายามทำลายสงเรื่องทำลายสงแปดกรณีข้อ202ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุเข้าจาบรรษาเห็นภิกษุมากรูปกำลังเพียรพยายามทําลายสงในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทําลายสง์เป็นกรรมหนักนักเมื่อเรายัางอยู่พร้อมหน้าสงอย่าแตะกกันเลยเพึงหลีกไปเสียไม่ต้องอบดับเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาได้ยินข่าวว่าภิกษุมากรูปในอาวาตนั้นกําลังเพียรพยายามทำลายสง์ในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำลายสง์เป็นกำหนักนักเมื่อเรายังอยู่พร้อมหน้าสงอย่าแตกกันเลยพึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัดเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเข้าจำพรรษาได้ยินข่าวว่าภิกษุมากรูปในอาวาด น, น้นกำลังเพียนพยายามทำลายสง์ในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรของเราเราจะว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทำลายสง์เป็นกรรมหนักนักพวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสง์เลยภิกษุเหล่านั้นจะทำตามคำของเราจากเชื่อฟังจกเงี่ยโสดพึงหลีกไปเสียไม่ต้องระบัดเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเข้าเจรพันส า, าได้ยินข่าวว่าภิกษุมากรูปในอาวะโนนกาลังเพียรพยายามทำลายสง์ ในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่มิตรของเราแต่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นมิตรกับภิกษุเหล่านั้นเป็นมิตรของเราเราจะบอกภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นที่เราบอกก็ <replace them? S 1> จะว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าการทําลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนักพวกท่านอย่าชอบใจการทําลายสงฆ์เลยภิกษุเหล่านั้นจะทําตามคําของภิกษุเหล่านั้น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 พวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสงเลยภิกษุเหล่านั้นจะทำตามคำของเราจากเชื่อฟังจัดเนี้อโสพึงหลีกไปเสียไม่ต้องอบัตเนื่องจากขาดพรนสาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเข้าจะบรรษาได้ยินข่าวว่าพิกษุมากรูปในอาวาสโน้นได้ทำลายสงแล้วในเรื่องนั้นถ้าภิสูุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่มิตรของเราเลยแต่พิกษุทั้งหลายที่เป็นมิตร กับภิกษุเหล่านั้นเป็นมิตรของเราเราจะบอกภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นที่เราบอกก็จะว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทําลายสง์เป็นกรรมหนักนักพวกท่านอย่าชอบใจการทําลายสงเลยภิกษุเหล่านั้นจะทําตามคําของภิกษุเหล่านั้นจกเชื่อฟังจกเงียโสดเพื่องีกไฟเสียไม่ต้องอบัดเนื่องจากขาดทันสาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุเข้าจบับรรษาเมื่อได้ยินข่าวว่าภิกษุณีมากรูปใ น, านอาวัตนนกําลังเพียรพยายามทําลายสงฆ์ในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุณีเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรของเราเราจะว่ากล่าวภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทําลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนักพวกน้องหญิงอย่าชอบใจการทําลายสงฆ์เลยภิกษุณีเหล่านั้นจะทําตามคําของเราจากเชื่อฟังจากเงียโสโธ เพิ่งหลีกไปเสียไม่ต้องอบัตเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเข้าจะบรรษาได้ยินข่าวว่าภิกษุณีมากรูปในอาวาสน์นกาลังเพียรพยายามทำลายสงในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุณีเหล่านั้นไม่ใช่มิตรของเราแต่ภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นมิตรกับภิกษุณีเหล่านั้นเป็นมิตรของเราเราจะบอกภิกษุณีเหล่านั้น ภิกษุณีเหล่านั้นที่เราบอกก็จะว่ากล่าวภิกษุณีที่เพียรพยายามทำลายสงเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทำลายสงเป็นกรรมหนักนักพวกน้องหญิงอย่าชอบใจการทำลายสงเลยภิกษุณีเหล่านั้นจะทำตามคำของภิกษุณีเหล่านั้นจะเชื่อฟังจากเงี้ยโสดพิงหลีกไปเสียไม่ต้องอบดับเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุเข้าจำบรรษาได้ยินข่าวว่าภิกษุณีมากรูปในวาดโน้นจะทำลายสง์ในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุณีเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรของเราเราจักว่ากล่าวภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทำลายสง์เป็นกรรมหนักนักพวกน้องหญิงอย่าชอบใจการทำลายสงเลยภิกษุณีเหล่านั้นจะทำตามคำของเรา จะเชื่อฟังจกเงี่ยบโสดพึงหลีกไปเสียไม่ต้องอระบาดเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเข้าจะบรรษาได้ยินข่าวว่าภิกษุณีมากรูปในอวาดโน้นได้ทําลายสงแล้วในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าภิกษุณีเหล่านั้นไม่ใช่มิตรของเราแต่ภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นมิตรกับภิกษุณีเหล่านั้นเป็นมิตรของเราเราจะบอกภิกษุณีเหล่านั้น